ซึ่งโดยธรรมดาผู้ที่ได้ทิพยะจักสุจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจสูงมากสำหรับบุคคลประเภทนี้จะสามารถเห็นโอปปปาติกะได้มากกว่าผู้ที่หลับในสมาธิได้มากมายแล้วเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยเขียนไว้แล้วและขอให้ย้อนไปดูในเรื่องหนูน้อยโรซารี่จากแววเสียงสวรรค์เล่มสองที่ผ่านมา